พุทธังธัมมังสังฆังนามัสสามิสีเรณะสุขติงยันติสีเรณะภูสัมปทาสีเรณะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยสักจังธรรมโมโสตพุิขอนอบน้อม แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมคูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขอนอ้อมน้อมด้วยเสียงก้าวขอนอ้อมน้อมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วขอนอ้อมน้อมแด่พระสงฆ์พระฤาษีสงฆ์สาวกขอโอกาส พ่ะแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่กรมผู้เป็นประธานสงฆ์เขาโอกาศพระเทลานุเถระพระมัชิมะนวะิกะด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความเจริญในศีลในธรรมจงมีแก่แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านณนะโอกาสนี้ตอนนี้ก็วางมือลงได้น ะ, ะตั้งใจฟังเนาะ สำหรับผมก็ถือว่าเป็นผู้ใหม่นะครับผู้ใหม่และผู้ใหม่อยู่แต่ก็มีเหตุเหมือนกันน ะ, ะไม่ใช่นั่นมีเหตุวันนั้นน่ยพี่พี่เจเนี่พี่เจบอกว่าโอ้เห็นพุมพูดบ่อยๆน ะ, ะพี่เจบินตบัดสายท่ามาไฟด้วยกันอพี่เจเป็นผู้หญิงขับรถให้ท่านบอกว่าโอ้อยากฟังอธิษฐานหลวงพี่หนุ่มเนาะเหมือนสัน ผมยังไงนะผมก็เลยบอกว่าโอ้ผมเทศไม่เป็นนะครับอผมเทศไม่เป็นอ่าผมเทศไม่เป็นแล้วก็บอกว่าผมสมัยก่อน่ะผมเป็นคนชี้อายอ่าผมไม่เคยเทศนะครับผมไม่ค่อยพูดด้วยชี้อายแต่พอมาอยู่สุกโตนะครับก็พ่อแม่ก็บาอาจารย์ก็จับให้เทศตรงนั้นตรงนี้นิดนหน่อยหครับก็เลยพอพูดได้นิดนิดหน่อยหน่อยเนาะมันก็มีเหตุนะครับอย่างงั้นแหละพอกลับมาถึงวัดแคร์นั้นแหละครับอ่าไม่รู้เหมือนกัน บินบกลับมาปุ๊บเทบาตรเสร็จปุ๊บอพระอาจารย์สุลินนะครับสิริปัญโยท่านเดินเข้ามาบอกหลวงพี่หนุม่มอันเทศนะเอาวันศุกร์นี้องานเข้าแล้วผมอบอกเทศนะอะบอกว่าแทนอาจารย์ออสอาจารย์ออสไม่อยู่องานเข้าแล้วสิผมไม่รู้ว่าจะเทศยังไงเนาะสําหรับผมอยอยยา่าถือว่าเป็นการเทศเลยนะครับถือว่าเป็นการบรรยญายเล่าสู่กันฟังเนาะ สำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่อยว่าเทศยบได้เนาะสำหรับผมก็ถือว่าเป็นผู้ใหม่หญญก็ให้เป็นบญญรรยายก็แล้วกันให้เป็นบรรยายทำอสูกันฟังเนาะเพราะว่าวันนี้วันนี้ก็เห็นบอกว่าเป็นวันโกนเนาะวันโกลของพวกเราก็จะไดาร่วมกันเนาะสำหรับผ้าใหม่ก็จะได้ร่วมกันนี่ยเป็นกรรมกรเป็นวันกรรมกรของประจำวัดของเราก็คื อ, อช่วงเขา้าพรรษาจะมีวันกรรมกรเนี่เนาะ ก็ช่วยกันอ่าสำหรับที่ผ่านผ่านมาก็ถือว่าช่วยกันดีมากอ่าช่วยกันช่วยกันดีมากสําหรับผ้าใหม่เ น, climbing, นาะกวดอ่าเปกวดสั้นล้านุา่งสัลานาเนาะก็ช่วยกันดีหรือว่าผ้าเก่าก็ก็ช่วยกันดีอ่าช่วยกันดีอยู่อ่าสำหรับตามที่ผมเห็นตอนที่ผมเข้ามาใหม่ <c oughs> ๆ <advantage S 2> นะครับก็ถือว่าอบอุ่นนะครับอบอุ่นมากเลยนะครับอบอุ่นอ่าสำหรับพระแม่ครูบาอาจารย์นี่อบอุ่นมากตอนนั้นเนี่ผมมากับอามาทียแรกมาเจอกับพระอาจารย์ตุ้ม พระอาจารย์ตุ้มนี่ท่านท่านพาผมไปเอาพวกผ้าห่มผ้าอะไรนะครับอผ้าห่มผ้าอะไรเนี่ยอบอุ่นมากถือว่าเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เลยนะครับสําหรับมาอยู่ที่สุกโตของเราเป็นพ่อเป็นแม่อบอุ่นมากอท่านก็ไปเอาผ้าห่มผมก็ไปอ่านเจอพอดีผมเข้าไปที่สํานักงานไปอ่านเจอที่นี่ไม่มีใครแปลกหน้าอมีแต่ญาติพี่น้องเพิ่งมาพบกันใหม่โอ้โหตอนนั้นอบอุ่นยิ่งไปใหญ่กว่าเดิมนะครับอบอุ่นมากตอนนั้นน่ะ ผมนึกว่าคนคนที่เมืองพลนะครับคนที่บ้านผมนะครับมาเต็มไปหมดเลยครับที่แรกผมนึกว่าผมไม่มีเพื่อนแล้วพาจา์ก็กลับล้มาส่งปุ๊บกลับเลยนะแต่พอมาอ่านเจอคํานี้นะครับที่นี่ไม่มีใครแปลกหน้ามีแต่ญาติพี่น้องเพิ่งมาพบกันใหม่โอ้อบอุ่นมากหลวงปู่คําเขียนสุวรรณโนโอ้ทันเทียนแบบอบอุ่นมากครับคือวัดเราเป็นวัดเปิดเข้ามาปฏิบัติได้ตลอดอย่างนี้นะครับอก็อเลยอบอุ่นมากที่แรกก็มาเจอกับพี่โก้ก่อนนะครับพี่โกน้ พี่ก็เอ้ยมามาอะไรผมบอกมาปฏิบัติครับเอ้ไม่เป็นไรไปเลยอท่านก็แนะนําโอ้แนะนแนะนําดีดีนะครับตอนรับถือว่าเป็นท่านนึ็นตอนรับนะครับแต่แต่พอมาเสร็จปุ๊บก็อ่าพระอาจารย์อตุ้มนะครับท่านก็บอกว่าไปไปขอกรรมฐานอ่าจากพระอาจารย์วัฒนชัยอ่าผมก็เลยไปขอกรรมฐานนะครับท่านก็ไม่ไม่ได้สอนอะไรมากนะครับเพราะตอนนั้น ผมจำได้ว่าท่านท่านเทศตอนเย็นนะครับท่านเทศตอนเย็นท่านก็เทศไปหมดแล้วผมก็เลยไปการาบท่านท่านไม่ได้สอนอะไรมากนะครับท่านบอกว่าคิดไปแล้วก็กลับมารู้คิดไปแล้วก็กลับมารู้นะครับตอนแรกๆผมพักอยู่ที่ศาลาไก่นะครับศาลาไก่นะครับป้ายข้างบนมันก็จะมีนะครับมันจะมีชั้นสามนะครับผมก็ไม่เคยขึ้นไปอีกอีกสักทีเลยตั้งแต่วันนั้นมาผมไปพักอยู่ที่ศาลาไก่นะครับฉันมาทําอะไรฝึกสติรู้สึกตัวอ้าว เอ๊มันคืออะไรผมว่าร so si so ู้สึกตัวรู week, ้สึกตัวมันคืออะไรผมผมก็คิดนะครับชิดอยู่นั่นนหะครับก็เดินจงกรมอยู่บนบนชั้น3ามนะครับก็คิดไปเอ๊ะมันชันมาทําอะไรฝึกสติรู้สึกตัวฝึกสติรู้สึกตัวนี่นะครับเฮ๊มันก็งงเหมือนกันก็เลยไปขอกรรมฐานจากพระอาจารย์น่ะนะครับที่บอกว่าคิดไปแล้วก็กลับมารู้คิดไปแล้วก็กลับมารู้ผมก็ทํานะครับมอทำไปทําไปทําอยู่นั่นแหละครับทำไปทําไปอ่า ก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีนะครับมันก็มีมีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่ตรงนี้ขอพักไว้ก่อนก็แล้วกันเผาพักไว้ก่อนก็แล้วกันถือว่าเป็นอารมณ์กรรมฐานขอพักไว้ก่อนแต่วันนี้ที่ที่ยกยกขึ้นเป็นเป็นนิคิปบทก็คือเบื้องต้นนั้นว่าสีเลนะอสีเลสีเลนะสุกติญญนติก็คงจะรู้กันทางพระก็คือเรื่องศีลเรื่องศีลของเราเนาะ สำหรับคนทั่วไปเขาบอกว่าต้องมีการทานศีลภาวนาใช่ไหมสําหรับคนทั่วไปแต่สําหรับพวกเราที่เป็นอยู่วัดป่าสุกโตนี่ก็คือศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยศีล น, นะครับศีลที่เขามาเข้าศีลกันนะที่เขามาเข้าศีลอุโบสถกันนะนั่นก็คือเป็นศีลสมาทานนะครับเป็นศีลสมาทาน อ่าเป็นศีลแค่ศีลสมาทานก็คือพูดตามพระสมาทานไปอ่าปานาติปาตาอาทินาทานาเวและมณีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือการสมาทานยังไม่ใช่เป็นศีล น, นะครับยังไม่ใช่เป็นศีล น, นี่ที่พวกเรามาทําอยู่นี้ก็คือศีลศีลคืออะไรศีลคือปกติครับปกติปกติทางกายทางวาจาทางใจนี่มันเป็นศีล น, นะครับอ่า ถ้าคนเคยเดินเดินผ่านนะครับถ้าคนเคยเดินผ่านลานหินโคง้งจะมีป้ายอยู่ป้ายหนึ่งนะครับเยาบอกว่าปกติหรือปกติก็ได้ก็แล้วแต่จะอ่านนะครับนี่จะมีป้ายอยู่ตรงนั้นก็คือนั่นก็คือเป็นศีล น, นะครับศีลก็คือปกติแต่ถ้าศีลตามหนังสือนะครับศีลตามหนังสือก็ศีล ก, ก็คือการสัมลูมกายวาจาใจนะครับศีลก็คือการสัมลูมกายวาจาใจ สัรวมอายตนะทั้งหกให้มันสัมผัสกันตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันก็เป็นศีลก็คือเราสำรวมสังวรลงไปแต่ศีลตัวนี้ศีลตัวนี้เป็นก็คือศีลปกติที่เราทำนี่เป็นเป็นปกติให้กลับมารู้สึกตัวก็คือกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันเป็นปกตินี่ก็เป็นศีลเลยนะครับเป็นศีลจริงๆไม่ใช่ว่าเอยศีลต้องอ ย, ยังไงนะมันยังไงนะอย่างงี้นะครับ ไม่ต้องไปเสมอธงสมมาทานครับสำหรับวัดเรานี่ไม่ไม่เห็นสมาทานศีลสักซีนะครับก็คือให้ศีลมาทำเอาเองตอนนี้ศีลจะรักษาเรานะครับศีลจะรักษาเราอศีลจะรักษาเราผมก็ไปนะครับไปไปตอนนั้นไปตอนนั้นไปตอนที่อเมื่อวานนะมังหรือว่าวันวันก่อนนะครับวันก่อนได้ไปเผาศพนะครับได้ไปเผาศพอ่าที่ธรรมไฟหวานนะครับ ท่านคนนั้นบอกอายุหนึ่งร้อยสี่ปีใครอยากอาอยุอายุมากๆคนระับร้อยสี่ปีมีไหมเนาะคงมีใครปราธนาทั้งหมดแต่บางคนบอกเออเอยขอให้อ่าแม่ใหญ่นี่อายุร้อยสี่ปีเด้อโอ้ยอย่าว่าขนาดนั้นเลยอ๋อมันหนักแล้วขนาดนั้นนะอย่างนี้นะครับอ่านะเขาก็ไม่ค่อยอยากได้กันครับแต่มันมั น, ม, นมันมีพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเขาบอกว่าถามถามญาติโยมบอกว่าเขาไม่ไม่กินผงชูวรสนะครับ เขาไม่กินเนื้อแต่เขากินแค่ปลานะครับสัตว์สัตว์เล็กๆเขากินแต่ไม่กินไม่กินสัตว์ที่มันใหญ่ๆนะครับเขาก็เลยมีอายุมากบอกอย่างนี้แต่ถ้าไปงานศพถ้าไปงานศพมันต้องได้อะไรสักอย่างจากงานศพนะครับไม่ใช่กลัวนะครับไม่ใช่กลัวไม่ใช่กลัวตั้งแต่ที่บ้านผมเนี่ยเห็นผ้าสวดขึ้นมากุศลธรรมกุศลแค่ น, นี้ก็กลัวแล้วครับ แค่นี้ก็กลัวนะครับแต่ถ้าแปลดีกีแต่ถ้าแปลดีๆนะครับกุศลาธรรมมาเขาบอกว่าทำที่เป็นกุศลนะอกุศลาธรรมมาทำที Warrior ่ไ ok ม่เป็นกุศลนะอัพยากตาธรรมมาทำที่เป็นกลางๆลางทำที่เป็นกุศลให้รีบทำเนี่ยเขาบอกไปอย่างนั้นแต่ทางวันผมเนี่ยเห็นขึ้นกฎกุศลาธรรมมาขึ้นมานี่กลัวเลยครับกลัวกลัวตายนะกลัวตายแต่สําหรับที่วัดเราก็คงไม่มีใครกลัวตายเนาะ เพราะเราอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ไปชิดตรงนั้นตรงนี้นะครับแต่มันต้องได้อะไรหลายๆอย่างครับต้องไปดูว่าสังขารมันไม่เที่ยงตั้งแต่เมื่ อ, mm hmm. อ, อเมื่อครั้งพุทธกาลนะครับเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเรานะอยู่ที่เมืองกุสินาราว่าใต้ต้นสาราทั้งคู่นะครับท่านล้มตัวลงนอนนะ แล้วท่านก็เมตตามากนะครับท่านเมตตามากท่านพยุงพระวรากายขึ้นมานะครับพยุงพระวรากายขึ้นมาแล้วก็มาตัดครั้งสุดท้ายท่านบอกว่าวายะธรรมมาสังคาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอปมาเทนะสัมปาเททะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาให้ถึงพร้อมเธอเนี่อย่าได้ตั้งตวในความประมา บางทีเรายังไม่แก่ตอนนี้เรายังเป็นเด็กอยู่ไม่เป็นไรเราคงไม่ตายง่ายนั่นว่าไปอย่างนั้นอีกอันนี้สําหรับคนโง่นะครับคนโง่จะพูดอย่างนี้นะคนโง่จะบอกไปเลยบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเรายังไม่แก่เรายังไม่เก็บเรายังไม่ตายก็มีนะครับก็มีเพื่อน้องผมนะครับเรียนจบมสามปุ๊บฉลองกันนะครับโดนรถชนตายนั่น แล้วเด็กไหมหละ่ะอเด็กไหมเด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายได้ไม่ใช่ว่าเกิดก่อนจะต้องตายตายก่อนไม่ใช่นะเกิดที่หลังตายก่อนก็มีอย่างงี้นะครับอา่าอย่างนี้เนหะมือนกันแล้วที่คนจะตายนะครับคนจะตายคนจะตายทุกครั้งนะคนจะตายทุกครั้งมันก็จะมีเหตุเหมือนกันนะมีเหตุมีเหตุ ม, หตมีปัจจัยเหมือนกันอคนทีจ่จะตายนี่ก็มีเหตุเขาบอกว่า มันมีกรรมมารมนิมิตคตินิมิตมันจะมีอยู่ประมาณสองสาตัวนะครับกรรมคือการกระทํานิมิตคือเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายของการกระทําถ้าเราทําชั่วปานาติบัตอธินาทานลักทรัพย์อะไรประมาณนี้นะครับประพฤติผิดในกรรมพูดเท็จดื่มสุราของมึนเมาอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นมาเลยครับตอนนี้มันจะขึ้นมาเลยถ้าใครทําผิดนะครับถ้าใครทําผิดปานาติบัติ ก็คือการฆ่าสัตว์นั่นนะครับการฆ่าสัตว์ถ้าใครฆ่าสัตว์นี่ดูง่ายเลยก็ได้ครับอายุสั้นอายุสั้นนะครับในชาตินี้นะในชาตินี้ดูง่ายจากเพื่อนเราทั้งหมดเนี่ยดูเลยถ้าใครฆ่าสัตว์มากๆนี่ชาตินี้เขาจะอายุสั้นแต่ถ้าใครเบียดเบียนสัตว์ถ้าใครเบียดเบียนสัตว์นะครับเขาจะมีโรคภัยไข้เจ็บอดอดแอดแอยู่นั่นนะครับ ถึงเขาจะเป็นผู้ช่วยโรงพยาบาลสาธารณสุขก็ะชังเขาจะเป็นออดแอดแอด อ, ดอยู่นั่นนะครับนี่ก็คือเป็นผลเป็นบาปเป็นกรรมนะครับเป็นบาปเป็นกรรมของเขาอยู่นั่ น, นครับ อ, อันนี้ก็คือไม่ใช่ธรรมดาหลังจากตกนรกหมกไหมมาแล้วนะหลังจากตกนรกมาแล้วก็เกิดมาเกิดในชาตินี้ก็เขาจะอายุสั้นอย่างนี้นะครับนั่นคือเป็นผลผลของมันต่อไปต่อไปอธินาทาน อาธินาทานอาธินาทานนี่ก็คือลักซัพบลักซัพท์พอตายไปปึ๊บเขาก็ตกนรกหมกไหม้นะครับตกนรกหมกไหม้พอมาเกิดชาตินี้พวกนี้นะครับต่อให้เขาหาเงินขนาดไหนนะครับต่อให้เขาหาเงินขนาดไหนเขาจะมีลิมิตของเขาเหมือนกันนะครับเขาจะมีลิมิตของเขาเหมือนกันเหมือนกับอ่ะคุณพ่อคนนี้ก็ก็ก็แล้วกันสมมติว่าคุณพ่อคนนี้มีลิมิตอยู่หนึ่งหมื่น หรือว่าหนึ่งแสนก็ช่างถ้าเขาหาเงินนะครับเขาหาเงินมาได้หนึ่งหมื่นเมื่ อ, อไหร่เขาจะเก็บป่วยพอเขาหาเงินถึงหนึ่งหมื่นเมื่ อ, อไหร่คนนี้อาจจะเป็นภรรยาก็เก็บป่วยหรือมันต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องให้เสียไปนะครับมันต้องมีเหตุ آ, ก็คือมันมีลิมิตของมันมันมีลิมิตของมันเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่นั่นนะครับมันมีลิมิตของมันเหมือนกัน นี่ก็คือผลของมันนะครับผลของมันที่ตกนรกหมกไหม้ขึ้นมาแล้วนะ่ะแล้วก็กลับมาเกิดในชานี้ก็คือเนี่ยครับมันจะมันจะมีลิมิตของมันมันจะต้องให้เสียเงินเสียทองไปจนได้อ่าต่อไปอ่าอ่าอะไรนะที่ประพฤติผิดในกรรมข้อสามประพฤติผิดในกรรมตกนรกหมกไหม้แล้วนะครับเขาบอกว่าประพฤติผิดในกรรมข้อนี้ มีแต่คนโง่เท่านั้นนะครับที่บอกว่าต้นไม้ต้นยิวนะโอ้ยมันคนไปหมดแล้วมันคงไม่มีแล้วไอ้ที่แหลมแหลมนะมีโง่เท่านั้นนะครับอ่มันมีอยู่จริงนะครับแล้วก็ไอไ้หมานะครับหมาไอ้ตัวนั้นไอ้ที่กัดคอยกัดอยู่ประจำนะเขาบอกว่ามันโอ้มันฟันร่วงหมดแล้วอแต่มันมีอยู่จริงนะครับกาซุเล็กซุบท้องมีอยู่จริงเขาบอกว่าเย ยมพบาลกเกษียณข้าราชการแล้วมันไม่ใช่นะครับมันก็ยังมีอยู่จริงมีแต่คนโง่เท่านั้นนะครับที่บอกว่ามันไม่มีอเขายังมีอะไรบอกว่านักปราชิตเยเขาจะบอกบอกว่าเออทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีทมไปนั่นมันก็พูดกับกันอย่างนี้นะครับแต่ทางพระพุทธศาสนาของเราบอกว่าทําดีดีนะครับทําชั่วชั่วไม่ต้องไปรอนะครับ ถ้าก็ถ้าบอกว่าจะไปรอก็คือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าบอกทําดีได้เอ้ยทําเราทํามาทําดีแล้วทําไมถึงมันไม่ได้ดีอันนี้ไม่ต้องไปรอนะครับทําดีดีเลยนะอย่างงี้เหมือนกันนะแล้วก็ตกนรกหมกไม่จากตรงนั้นมานะตกตอกตกนรกหมงไม่จากตรงนั้นมาก็กลับมาเกิดในชาตินี้เป็นสัตว์นะครับเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวผู้จะโดนตอนนะครับจะโดนตอนหรือจะเป็นหมันนะครับอ่านะ ก็หลังจากห้าร้อยชาติตรงนั้นแล้วก็กลับมาเกิดเป็นกะเทยนะครับระวังดีๆนะครับกะเทยกะเทยพระพุทธเจ้าตัดว่ากะเทยนี่เป็นบันดาะนะครับบวชไม่ได้นะครับถึงบวชได้บวชร้อยปีพระพุทธเจ้าก็ให้ศึกนะครับนี่ครับพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้นะครับหลังแต่ว่าแต่ว่าแต่ผลจากพ้นจากกะเทยมาก็มาเป็นผู้หญิงนะครับ มาเป็นผู้หญิงมาเป็นผู้หญิงตอนนี้ผู้หญิงดีหน่อยดีกว่ากระเทยอ่าดีกว่ากระเทยก็สามารถปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมได้เหมือนกันอสามารถปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมได้เหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างจากพระเลยนะครับหรือว่าไม่มีอะไรแตกต่างจากผู้ชายเลยอประพฤติธรรมบรรลุธรรมได้เหมือนกันนะครับอได้เหมือนกันทั้งหมดอแล้วหลังจากผู้หญิงห้าร้อยชาติแล้วค่อยมาเกิดเป็นผู้ชายครั้งหนึ่ง นี่อย่าให้มันเสียชาติเกิด น, นะครับสําหรับผู้ชายอถ้าใครเป็นกระเทยก็ปรับตัวมาสมัยให้เป็นผู้ชายแล้วก็จะได้ปฏิบัติธรรมให้มันลุ่มทำให้พ้นธรรมให้พ้นทุกไปในชาตินี้นะครับเนาะต่อมานะครับอย่าว่าเรื่องนี้เป็นการพูดเป็นเล่นๆไปนะครับไม่ใช่นะครับพระไตรปิฎกก็พูดอย่างนั้นนะครับพูดมาอย่างนั้นนะครับอ่าไม่แน่นะคำขำไปอาจจะเจอก็ได้นะไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่แน่แนข้อนี้มันไม่แน่เหมือนกัน ต่อไปมูสาวานนะครับมูสาวาสพูดอ่าหลังจากตกนรกลงไปแล้วนะหลังจากตกนรกลงไปแล้วกลับมาเกิดใหม่เขาจะปากเหม็นนะครับปากเหม็นพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อนะครับพูดอะไรไปจะกิ่งแค่ไหนก็ไม่มีใครเชื่อนะครับข้อนี้นะครับถ้าประพฤติผิดข้อนี้นะถ้าถ้าประพฤติผิดข้อนี้จะพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อนะครับ ข้อนี้เอาดีๆสังเกตดูง่ายเพื่อนของเราถ้าปากเหบนอใช่แล้วข้อนี้มันใช่แล้วบางทีต้องใช้น้ํายาม้วนปากอะไรต่ออะไรดับกินเงินแต่มันไม่หายมันคือผลของกรรมนะครับผลของกรรมข้อนี้นะครับอ่าไม่ใช่ธรรมดานะครับต่อไปสุลาเมีไรสุลาเมไรดื่มเครื่องดองของเมานะครับอ่าดื่เอเครื่องดองของเมาพอกลับไปตกนรก พอตายจากชาตินี้ไปนะครับไปตกนรกนะครับเขาบอกว่ากระทะทองแดงนะครับกระทะทองแดงกระทะน่ะไม่ใช่ทองแดงนะครับน้ำที่เดือดนะครับหลอมเป็นทองแดงนะครับหลอมเป็นทองแดงนะครับไอ้ที่ไอ้ที่เป็นกระทะนี่ก็คือเครื่องปั้นดินเผานะครับเครื่องปั้นดินเผาที่เราก็จุดไฟร้อนลุกไหมชั่วอนันตกาลนะครับไหมอยู่นั่นนะครับ แล้วก็ไอ้พวกยมมาทูตนะครับพวกยมมาทูตนี่ก็จะเอาคีมนะครับเอาคีมเอาคีมหนีบแล้วก็เอาเอากระบวยนะครับเอากระบวยไอดินนะครับตักน้ําทองแดงนะครับกอกปากนะครับมันก็ร้องอ๊อฟอ๊อไปนะครับอ่าแต่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวสัตว์ในโลกนี่ไม่มีวันตายครับถึงตายจากตรงนั้นปุ๊บมันก็มาเกิดใหม่เหมือนเดิมมันจะใช้ชดใช้กรรมตรงนั้นนะครับชั่วจนจนกว่าจะมันจะหมดกรรมนะครับ จนกว่ามันจะหมดกรรมนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นนะบางคนนะบางคนบอกว่าเฮ้ยไอ้ท่านไม่ให้ดื่มสุราเมลัยดื่มเบื่อไปดื่มเบียร์ไปเลยครับดื่มสปายไวคุณเลิศ er ไปอย่างงั้นแน่มันแยก่ไปอย่างงั้นตรงนี้ผิดทั้งหมดนะครับตรงนี้ผิดทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวบอกว่าสุราเมลัยหรือว่าพวกเบียร์พวกสปายไวคุณเลิศ er, ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยตรงนี้นะอ่า พอกลับมาเกิดพอกลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งนะครับจะเป็นพวกโรกเอือรสังเกตดูง่ายๆครับลรคโรคเอืพวกโรคดาวซินโดมอย่างนี้นะครับพวกคุณไม่ค่อยรู้อะไรนะครับผลของกรรมข้อนี้เลยนะครับผลของกรรมข้อนี้ในชาตินี้นะครับสังเกตดูง่ายๆสังเกตดูง่ายพวกเอือรพวกดาวซินโดมพวกนี้นะครับหรือว่าพวกเป็น เป็นบ้านะครับพวกเป็นบ้าเดินตามถนนหนทางไม่ใส่เสื้อใส่ผ้าอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็คือเขามาชดใช้กรรมตรงนี้เลยนะครับชดใช้กรรมตรงนีพพพ้พอตายปุ๊บก็คือหมดกรรมของเขานะครับหมดกรรมของเขาหมดกรรมของเขาไปเลยเนาะแล้วกอ็อาจจะสรุปตอนท้ายบอกว่าพวกเราที่มาทำเนาะก็ขอให้พวกเราได้ตั้งใจ ตั้งใจตั้งใจเอาเพราะการที่ผมพูดมานี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับพระไตรปิฎกข้อยืนยันอย่างนั้นไม่ได้แค่มายกขึ้นมาลอยๆหรือว่าอะไรนะครับก็มาตามพระไตรปิฎกนั่นแหละผมก็ไม่มีความสามารถอะไรมากนะครับก็อเอาตามพระไตรปิฎกมาพูดให้ฟังคือว่าเล่าสู่กันฟังบรรยายทําให้ฟังเนาะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันบางทีอาจจะไม่มีคนเอามาพูดเนาะก็ให้พวกเราได้ตั้งตั้งใจเอา อาสุดอาตรงที่สรุปตรงไทยนะส่วนมากพระจะสรุปตรงไทยบอกว่าสีเลนะสุกติยันติผู้จะเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคัสมปธาผู้จะมีโพคะมากโพคทัพย์มากนะครับก็เพราะศีลที่เรารักษาเนี่ยนะครับสีเลนะนิปุติญันติผู้จะเข้าถึงนิพพานได้ก็เพราะศีล น, นะครับศีลเป็นบันไดนะครับก็เพราะศีล ตาสมาสีลังวิโสทะเยขอให้ท่านทั้งหลายพยายามรักษาศีลไปเถิดนั่นนะครับไม่ใช่ธรรมาดาก็ขอให้ทุกคนนะก็ฝากเอาไวนะ้เนาะอนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งใจฟังเนาะขอใหอ้มีบุญหรือว่ามีส่วนยางบุญ ก, กันแล้วกันในการบรรยายธรรมในครั้งนี้เนาะสุดท้ายนี้ ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายญาติธรรมทั้งหลายแม่ชีทั้งหลายหรือเพื่อนสนาตมิกมีแต่ความสุขความเจริญบุญจงตามรักษาเทวดาจงตามคุ้มครองขอให้ปราศจากพวกใจมันสนันดานยาบขอยกเอาจตุรพิทพรชจทั้งสี่ก็คืออายุวันนะสุขพระปฏิพานธนสารสมบัติ ให้ตั้งตนในสัมมาทิธฐิเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วกับหางกับหัวกับชั่วมาเป็นดีจนสามารถนำตนออกจากทุกประสบสุขทุกทีภาราตีการโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทิน